่จะโคลนต้มเมื่อพ้นโลคขอบน้ำมาเป็นดอกไม้บูชาของข้าคุณแห่งดอกบู ในสายทานแห่งการว้วนผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมาขึ้นขึ้ น, น ล, งลงลงเรียบดังดอกบัวนั้นน่ากว่าจะโผล่พ้นมาอยู่เนื้อทารางดงาม มีพระหนึ่งเป็นยอดคนไหว้วนพลไปจากการไหวเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษ หนึ่งเดียวพระมหาบัวส่วนรวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้อมบูชา